เป็นผู้พูดแสดงธรมตอนทั้งหลายเป็นผู้ฟังมีผู้ฟังมีผู้พูดเรื่องธรรมะเราว่าธรรมะนี่คือเป็นกลางๆางถ้ามีการกระทำเกิดขึ้นจึงแบ่งกันแต่มีสติเรียกว่ามีธรรมเป็นป่อยกุศลถ้ามีความหลงก็เป็นธรรมป่อยอกุศลเป็นผิดเป็นถูกเป็นสุขเป็นทุกข์ไปชีวิตเรายังเลือกทำตอ น, นที่มันถูกต้อง สิ่งไหนไม่ถูกต้องก็ไม่ต้องทำที่นี้สิ่งที่ไม่ถูกต้องมันเกิดขึ้นเมื่อเราทำมันมาติดตัวเราแล้วก็แก้ไขตรงนั้นแต่น่านก็พอใช้ได้แต่ไม่ดีมากวิธีใดที่เราต้องหัดฝึกหัดตัวเองที่ไม่ให้ความผิดที่เกิดจากการทำของเราเกิดขึ้นได้ก็คือมาปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมคืออย่างไร ปฏิบัติธรรมก็คือมาเจริญสติเพราะสติเนี่ยเป็นสิ่งที่คุมกําเนิดของความหลงถ้าไม่มีสติหลมหลงก็เป็นอิสระภาพมันก็ชอบเกิดขึ้นที่กายที่ใจเราได้เหมือนกันบางทีมันเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนด้วยเจ้าของกายเจ้าของใจด้วยเราจึงต้องจำเป็นมากๆหลวงพ่ อ, อได้รับจดหมายหลายฉบับเมื่ออยู่วัดนี่ มันดีคิดว่าจะไปสู้กับโลกได้เมืออกไปแล้วก็ยังไม่ไปถึงไหนเลยความชั่วความทุกขเกิดขึ้นไปบ่อยเมื่อมันมีความทุกความทุกเกิดขึ้ น, น, กกนจึงค่อยแก้ไขอันนั่นก็เงันหาเช่าจินคำหาวันนี้จินวันนี้ถ้าจะเป็นคนอาชีพมีฐานะก็ยังจนอยู่ ไม่เป็นผู้มีที่จะจินแต่หาเราจึงค่อยจะจินหาอยู่หาจินไม่ใช่มีอยู่มีจินเราจึงต้องทําให้มันมีซะจะไม่จนในความไม่ทุกขเราไปจนตกความทุกข์ความหลงก็เรียกว่าจนอยู่คนในโลกนี่สแสวงหาต่างต่างกันไปแต่ถ้าพูดถึงจากการปฏิบัติแล้วไม่ต้องแสวงหาที่ใดอยู่กับเราแท้ๆเกิดจากการกระทํา การทำมันทำที่ไหนที่กายที่ใจเราถ้าเราอยู่ที่ไหนใจอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ตรงนี้แล้วอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ด้วยกับเราไม่ต้องไปแสวงหาที่ใดการทำบุญก็ดีการทำกรรมผิดก็ดีการทำกรรมถูกก็ดีมันเกิดจากการกระทำของเราเราแสวงหารตรงไหนกันหลวงพ่อก็ไปประเทศอินเดียที่เป็นศาสนาเป็นประเทศเก่าแก่จานอกรังสีห้าพันปีมาแล้ว ไปเขาศพไม่เคยมอดห้าพันปีมาฝั่งแม่น้ำคงคาเป็นศาสนาเก่าแก่มันเข้าสายเลือดไม่อาศัยตนเองเอาศัยร่างบาปด้วยการอาบน้ำได้ผุเพราะการร้อนวอนเทพเจ้าต่างๆตะบนก็ทำนอกกายไปหมดเลยตะหนอุทิศให้พ่อให้แม่ไปซื้ออาหารไปให้ปลากินเพราะพ่อแม่เราหายายไปเอาไปาร่อยอังคารในน้ำเ อ, อาไปอาคงคา ถือว่าแม่น้ําพงาเป็นที่เกิดของเท พ, พเจ้าถ้าอะไรตกประโยชน์ที่นั่นก็ถือว่าบาปก็กลายเป็นบุญวิธี ท, ท, ทาบุญหาบรนผุรุษของเขาซื้ออาหารไปให้ปลาปลาก็าอยู่ในน้ำบางทีประชาชนคนเขาเวลาจะไปไหนถึงนแต่เจ้าไปปลุกพระเจ้าคือไปลงอาบน้าําอยู่ในแม่น้ําองขาไปล้างหน้าไปดื่มน้ำของขาเพื่อไปปลูกพระเจ้า คือน้ำให้ติดตัวเราไปไปเรื่อกันตลอดวันกลับมาตอนเย็นมาอาบอีกมาร่างบาปไปนอนเวลานอนไม่ได้ทำบาปเวลาตื่นขึ้นมาก็ไปปูกกพระเจ้าคือแม่น้ำคงาอาบน้ำเรยพระเจ้าติดตัวปอีกเป็นวันวันทุกวันไปการนอนวอนการกระทาพิธีต่างๆเทพเจ้าไม่รู้จะเอาองไหนมากมายเหลือเกินใครเชื่ออะไรก็สร้างขึ้น ทำเป็นลูกไปไหวในแม่ น, มน้ําคงคาใหาอยู่ในแมน่น้ําคงคาวางเป็นก้อนปูนก้อนอิดก้อนเห็นไว้ดีกระทำเป็นลูกหลายลูกเขาว่าเขาได้บุญเขาก็ว่าเขาทําถูกต้องถ้าเราอยู่ที่นี่เราไม่มีแม่ น, มน้ําคงคาเราจะละบาปได้ไหมเราจะทํามือได้ไหมต้องไปประเทศอินเดียต้องไปอาบนแม่ น, มน้ําคงคาและก็ไม่จําเป็นไม่เป็นสากลไม่เป็นสัจธรรมถ้า ความดีความชั่วอยู่นอกตัวไปมันก็ทำไมได้มันต้องอยู่ในเราแท้ๆล่ะพระพุทธเจ้ายัางสอนเรื่องกรรมฐานเนี่ยน่ารักที่สุดเลยกรรมฐานเนี่ยกรรมคือการการะทํทาฐานคือที่ตั้งอยู่ตั้งว่าที่ไหนทําที่ตรงไหนไก็น ต, ตั้งไว้ที่กายที่ใจเราเนี่ยเอาสติมาตั้งว่าที่กายมันก็มีอยู่กายสติก็มีอยู่ มีการภาวนาภาวนาคือขยันรู้ให้มันรู้มากรู้ร่างกายมันเป็นวัสดุอุปกรณ์ให้มันเกิดความรู้ที่กายดูกายอย่างเดียวมันเห็นหลายอย่างเห็นความสุขเห็นความทุกข์เห็นความหลงเห็นความีิดเห็นความถูกทางกายก็มีทางใจก็มีอะไรที่มันเกิดขึ้นตามชื่อต่างๆตามสมมติ์ต่างๆ เราก็นึกว่าเราเข้าไปเป็นตามอาการต่างๆเป็นสุขเป็นทุกข์พอใจไม่พอใจตากายมันก็มีอายัตนามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีจิตมีใจภายในแล้วก็มีภายนอกเข้ามาเป็นคู่กันมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์ต่างๆแล้วก็ก่อให้เกิดความยาวออกไปสัมผัสก็ไปแค่ตรงนั้นก็พอได้ ประชาเวตนาแค่สัมผัสแต่ว่าก็พอได้อยู่เห็นอะไรก็ไปทำเฉยนั่นไม่ต้องทำได้ไหมให้มันเสร็จไปซะรู้แล้วเท่านี่ก็พอมันถูกก็รู้แล้วมันถูกก็รู้แล้วมันพอใจก็รู้แล้วมันไม่พอใจก็รู้แล้วไม่ใช่ไปทำอะไรมันก็ง่ายมายแต่เราก็ทายากเพราะทำไม่ถูกขั้นตอน อันทีก็ต้องไปอดเวลามันโกรธเวลามันทุกข์ไปอดไปทนต้องหลบต้องหลีกต้องละต้องเว้นไม่เห็นเฉยเลยเป็นการดีห น, นีไปหลับหูหลับตาเมื่อจําเป็นต้องเห็นไม่พูดเฉยเลยเป็นการดีก็ไปแช่แบบนั้นเมื่อจําเป็นต้องพูดก็พูดแบบมีสติเป็นการดีก็มีแต่การบ้านถ้าเราทําให้ไป็เจตจา มันก็เพียงเกิดรู้แล้วรู้แล้วมันมีอะไรที่จะไม่รู้สิ่งที่มันรู้อย่างนี้เรียกว่าปัญญามันรู้จากกองสังขารที่ตั้งอยู่ในกายมันตั้งอยู่ในใจของเรารู้หมดรู้ครบรู้ทั่วแล้วทำใันจบลงมันจบเป็นรวมทุกข์ก็จบเป็นรวมสุขก็จบเป็นความอะไรต่างๆปัญหาอะไรต่างๆมันจบเป็น ไม่ใช่มีปัญหามันไม่ใช่เป็นทาตุเราไม่เป็นจำเลยใครถ้าเราไม่รู้เราก็เป็นจำเลยความหลงเป็นจูดเป็นเจ้าของความทุกข์เป็นเจ้าของความโกรธความโลภความหลงเป็นเจ้าของเรารับใช้เขาผวามวิตกกังวลความเศ้าหมองเป็นเจ้าของเราแล้วต่อเขาจะใช้เราอย่างไรแล้วก็ไปตามเขาบังคับกลับใส่เรีวยกว่าทาตขี้ข้าก็ว่าอะไร ต้องเป็นไทยต้องอิสระไม่ต้องเป็นมีสิทธิที่ไม่ต้องเป็นไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องโกรธไม่ต้องโลภไม่ต้องหลงไม่ต้องพอใจไม่ต้องไม่พอใจเราเป็นอิสระของเราเราจะมาอาศัยการฝึกหัดตัวเองไม่ใช่การไปอ้อนวอนขอร้องอันอื่นแม้หลวงพ่อเป็นผู้สอนธรรมะคนก็มาอาศัยอาศัยแบบใด บางคนจะไปเมืองนอกเขาก็มาให้เราผูกป้ายผูกแขนได้หลวงพ่อเอาทําให้เขาเขาก็ยังอยากได้ป้ายอยากให้ผูกแขนเหมือนอยู่กับการกระทํามันก็ยังไม่เอาจะเอาป้ายผูกแขนบางคนก็ขอลดลามนบางคนก็ทําอะไรต่างๆที่ให้เป็นวัตถุทั้งๆ ท, งที่วัตถุเหล่านั้นมันไม่ช่วยเราได้ก็อบอกว่าป้ายผูกแขนเนี้ย เวลาผ้ายผูกแขนอยู่กับเธอเธอก็ไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องโกรธไม่ต้องหลงถ้าโกรธทีไรกับผ้ายผูกแขนที่ตอนนี้ก็พอได้รวนไม่ได้ไดทุกข์ไม่ได้ทําชั่วไม่ได้นะผ้ายผูกแขนถ้าทําชั่วอยู่ไม่ผูกให้นะถ้ายังทุกข์อยู่ไม่ผูกให้ต้องหมดตัวนี้ลูกเดี๋ยวนี้มันก็อยากทําไม่เป็นยังทําผิดทําชั่วอยู่ยังทุกข์อยู่ขับรถขับเรือก็ยังไม่มีสติเดียวจึงไม่ควรยากอย่างนั้น มันง่ายๆการปฏิบัติธรรมเราจะมึงหัดตัวเราถ้าไม่หัดมันไม่เป็นไม่ใช่ไปเรียนให้วเกิดความรู้มาทำให้มันเป็นถ้าเป็นเป็นแล้วมันไม่ลืมมันเห็นมันรู้มันเห็นนั้นพบมันเห็นอะไรที่มันเกิดก็เกิดไากับใจเห็นหมดไม่มีอันไหนปิดบังอำพรางรู้หมดรู้ครบรู้ท้วนอย่างนี้เลยว่าปฏิบัติธรรม อย่าไปทำอื่นตรงเข้ามารัดเข้ามามันจะเสียเวลาแม้วิธีการสอนปฏิบัติธรรมในเมืองไทยก็มีหลายสำนักหลายครูอาจารย์ก็ไปศึกษาออกถ้าใครสอนอันใดให้ไปพึ่งอันอื่นให้ฟังหูวไว้หูก่อนต้องให้มันเกิดขึ้นจากตัวเราไม่ใช่ปฏิเสธอะไรทั้งหมดมันมีปฏิเสธไม่ได้กายมันก็มี ปัญหาที่เกิดเพื่อไปก็ไม่เรารู้มันจบแล้วถ้าไปอาศัยอันเดินอันเดินมาช่วยเราถือว่ายังไม่ใช่สัจธรรมเป็นสมมุติบัญญัติสมมุติบัญญัตินี่พอใช้ได้แต่ไม่ดีมากนั้นเราเขียนคัดลายมือไปตรวจวัวยันบอกว่าพอใช้ได้เพราะว่ายังไม่สวยถ้าเราคัดแต่มันสวยขึ้นดีมากดีที่สุดถ้าเป็นนักธรรม แต่เมื่อก่อนเป็นสำเร็นถ้าตอบปัญหาที่อาจารย์เขียนให้ตอบเป็นปัญหาเราตอบให้หอเดียวเรียกว่ายังไม่ดีแต่ให้สามหอเรียว่าดีมากแล้วการปฏิบัติธรรมให้มันถึงกับยุกมือไหว้ตัวเองได้ถ้าไหว้ตัวเองได้ก็ไหว้คนอื่นได้ง่ายได้คารมทุกอย่างคารมคนชั่วเคารพคนดี รู้จักหลบรู้จักดีการเคารพไม่ใช่รังเกียดการไปเสียษไม่ใช่รังเกียจเราเคารพเราไม่ทำเหมือนเขาเราเคารพเราทำเหมือนเขาเลือกได้เลือกทำเลยในโลกนี้มีสิ่งที่ให้ให้เราเลือกเยอะะประสรบการณ์เยอะๆมากมายก็อยู่ที่เราแทา้ๆละ่ะการปฏิบัติธรรมนะเป็นกบเป็นกรนกรมขึ้นมาแต่ว่าวิธีนียวิธีที่สร้างความรู้สึกตัว ถ้าทำไม่ถูกเป็นทุกข์ับปฏิปทามกาก็ยากเหราะนเราไม่รู้อะไรที่มันควรจะรู้ไม่รู้จต่พิสตะเือไม่ค่อยใส่ใจมันก็ค็อยากอ ย, กอยู่พอเราทำลงไปสร้างจังหวะลงไปเดินจัควรมลงไปอะไรมันลุมเข้ามาไปแค่ไปแก่ความคิดบ้างความทุกข์บ้างความง่วงเหงาหอนอนบ้างปัญหาที่มันเกิดขึ้นคอยจะแก้ หาคำตับทำไมทำไมไม่ได้อะไรเลยวันนี้ดีวันนี้ไม่ ด, นนมดีอย่างนั้นมันมันยากถ้าทำลงไปมีสติเนี่ยมันไม่มีอะไรยากเลยรู้เท่านั้นก็พอมันง่วงก็รู้แล้วไม่ใช่ความง่วงจะเป็นการแค่รู้แล้วมันคิดไปก็รู้แล้ววันทุก็รู้แล้ววันโศกก็รู้แล้ ว, ว, ลวมีประโยชน์ทั้งความผิดมีประโยชน์ทั้งความถูก ตัวรู้ตัวนี่น เ, เอามาเป็นตัวรู้ทั้งหมดเลยอันทุกก็รู้นะได้ไประโยชน์มันหลงก็รู้ไม่เสียหายสตินี่มันขนาดนั่นแหละอันสุกก็รู้นะสติตัวนั้นไม่ใช่เป็นอันอื่นไปมันทุกก็รู้คือสติมันหลงก็รู้คือสติมันอะไรเกิดขึ้นก่อนตามคือสติคือรู้จึกตัวคือรู้จึกตัวมันจรงง่ายๆนะหลวงพ่อเคยปฏิบัติทำ ประสบการณ์กับการประเดิมธรรมของตอนเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่ซื่อบือ้อมันได้ศึกษาอะไรมาต่างๆมันก็หาคำตอบหาเหตุท้าผลเออเอาความชอบเอาความไม่ชอบไปต่อรองกับอะไรต่างๆเสียเวลามากความชอบความไม่ชอบไม่ใช่ตัวรู้ตัวรู้มันไม่มีอันตัวชอบไม่ชอบมันที่แต่ตัวรู้เท่านั้นแต่ตัวรู้เท่านั้นมันต้องเป็นตัวรู้อันเดียว ใครจะแจ้อะไรก็ตามไม่ให้คนอื่นแจ้งเราแจ้งเองเรารู้เรารู้เนยมันหลงก็รู้ไม่ได้ทอะไรมันผิดก็รู้มันถูกก็รู้มันทุกก็รู้เพราะเรารู้ทำไมยังมีตัวลูกเพราะเรารู้ไม่ได้เป็นอะไรก็ง้ายเข้าม า, เ, าเราเดินโยกมันเราก็รู้เนี่ยเวลามันผิดเราก็รู้เวลามันเกิดคิดขึ้นมาทางใดทางไหนทางใดอะไรแบบเรามเรารู้ไม่เสียหาย ม่ไม่เหมือนเราขุดดินทำร้อยทำนาอะไรนั่นมันก็มันทำเสร็จเป็นต้องมีการกระทำแล้วดำนาเนี่ยทำแปลงใหญ่ก็ต้องรีบซะหน่อยต้องใช้เวลามากต้องขยันแล้วก็เสร็จเป็นแปลงเป็นแปลงไปขุดดนินก็ได้หลม 1, มุมหนึ่งเมตรหึงยาวเม็ดหนึ่งลึกเม็ 1, ดหนึ่งไอ้หลุมหนึ่งมันก็เสร็จเป็นได้เงินไปเท่ากันสมมติว่าหลุมละเจ็ดสิบาท ขุดคนเดินขุดเพื่ออยากได้เงินคนนึงขุดเฉยๆแล้วก็แล้วเหมือนกันเอาเงินก็ได้เหมือนกันไม่ต้องอยากได้มันเ <c oughs> งินมันก็ได้เหมือนกันถ้ามันเสรียนะแต่บางคนก็ขุดเพื่อความอยากจะเอาให้ได้จะเอาให้เสดกูจะได้เงินเฉชบาทกูจะได้เงินเฉชบาทัท้งขุดทั้งคิดอยากหิวอยากได้มันก็อาจจะก <c oughs> ินแหลกทั้งสองทางทั้งกอดทั้งเจวย ถ้าคนขุดด้วยลองเพลงไปดามไปเหนื่อยเขาไม่เป็นไรรอดไม่เป็นไรหนักไปเป็นไรทําสบายมัก็ง่ายกว่ากันแม้ตากแดดอากาศอุณหภูมิเท่ากันแต่การสิ้นพลังงานอาจจะต่างกันก็คิดว่ายากว่าจะได้เงินเจ็ดสิบาทเราไม่ใช่ไปเานั่นมาเป็นผลเราทาไปเราทําไปอันบุญอันกุศลมักผลในผ่านไม่ใช่เงินเจ็ดสิบาท มันทําไปมันลู่ไปมันได้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ดิดขุดมันเจ็ดแล้วจึงจะได้เงินพอมันลู่ก็ได้แล้วยกเมืาขึ้นก็ได้แล้วถ้ามันลงก็่ลู่ก็ได้แล้วไม่มีเสียหายตรงไหนเลยมันจึงพอใจในการบอกการสอนผู้ปฏิบัติก็ควรที่จะพอใจอย่างมากเลยมันเป็นอย่างนี้จริงๆการปฏิบัติธรรมจริงไม่ต้องจําเป็นต้องมีพิธีฮะอะไรเตรียมอะไรต่างๆมากมาย เอาอายุเอาความหนุ่มเอาความแก่เอาความรู้เอาความไม่รู้เอาเพศเอาไว้ไม่ต้องเลยเท่าเท่ากันชีวิตของเราเท่าเท่ากันอันตัวรู้ก็เท่ากันอยู่กับพระสองฆ์เจ้าก็เหมือ น, นกันอยู่กับเราก็เหมือนกันอยู่กับพระพุทธเจ้าก็อันเดียวกันกับเราทุกวันนี้แม้ผ่านมาแล้วสองสามพันปีก็ อ, อันเดียวกันไม่จะไปกลัวอะไร เราจึงควรมีสถานที่อย่างนี้บ้างมีพระสงฆ์มีผู้ดูแลมีผู้จักชวนมีผู้พูดก็นั่งคู่อยู่นี่มีเสียงภาษาสื่อภาษาก็รู้กันน ะ, จะเจ้าอะไรอีกพวกเรานี่คือประเทศไทยไม่ใช่พาพวกท่านไปไหว้น้ำเจ้าพญาอ่าใยงามกรกาเออโยมอนุเคราะห์เราน้ำมันประเทศเขาหนึ่งหกสิบบาทต่อลิตร น, นะของเราก็สาสิบาทสามอบาท แรงมากไปไม่ได้เมืองที่หลวงพ่อไปเป็นเบงปัญหาชายแดดระหว่างปากีสถานกับอินเดียมีแต่ทหารจ้าปืนจ้องกันอยู่ทุกตารางวาก็ว่าได้เวลาเราจะขึ้นบินขึ้นอยู่สนามบินติดอยู่ในสลามบินเป็นชั่วโมงเครื่องบินทหารขึ้นบานมาแมลงโมงเราก็ไม่มีโอกาสบินติดอยู่ตรงนั้นทําไมจะเป็นแบบนั้นไม่เป็นธรรมะ ต้องฆ่ากันต้องเอาชนะกันของกูของมึงเช่นวเวสต์เนียนี่ยเยมืองแคสเนียนี่ย เ, ยเป็นเมืองที่มีทรัพยากรมากมีป่าไม้เป็นเมืองท่องเที่ยวสวยงามที่สุดเป็นเมืองแห่งความงามออซิสฐ า, านก็อยากได้อินเดียก็อยากได้ก็เลยแย่งกันเจจากันแล้วก็มาสร้างตาอาวุธแข่งขันกันระหว่งางออซิสฐานกับอินเดียมีป ร, รโนโนัมโมนิวเคียรเพื่อจะผัดผ่านกัน เอาชนะกันด้วยกำลังมีปัญญาหาฆ่ากันด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งนี่มันไม่เป็นปขนาดนั้นคนเราน่าสงสารน่าสงสารกันอ้คนอินเดียก็เหมือนคนไทยคือมีขาสองแขนสองมีกายมีใจมีความอะไรเหมือนเหมือนกันไม่ควรจะไปคิดแบบนั้นหน้าสงสารกันไม่ต้องฆ่าไม่ต้องสร้างสตาวุธมาผาผานกันชาบ้านที่นั่น เป็นโรคประสาทเป็นโรกเครียดอายุไม่ยืนเขกเครียดเพราะว่าลูกชายเขาเนี่ยเขาไปเป็นทหารตายกันหมดเป็นเมืองแม่ไม้ล้วคนก็เครียดอายุสั้นเพราะคนเราสร้างปัญหาขึ้นมาถ้าเราไม่สร้างปัญหาขึ้นมามันก็ไม่มีอะไรถ้าจะพูดถึงการสงสารที่เป็นสัตว์ในโลกนี่คือมนุษย์คนเราเป็นคนเนี่เป็นสัตว์ที่น่าสงสารมากน่าสงสารจริงๆ ไปทางไหนก็ระวังออกจากบ้านก็กลัวอันตรายมองหน้ามองหลังมองซ้ายมองขวาหลายอย่างที่ทําให้เราผิษทีมีรถมีลาเดี๋ยวนี้ก็มีถึงกับพิษในด้มในดินในอากาศอาหารการกินก็มีพิษให้เหมือนกับสัตว์ดันดินแต่เห็นเหี่ยวบินอยู่ท้องฟ้ามืดเลยเหมือนลมโงมกุดพัดไปไหม้ขึ้นท้องฟ้าบิน ก็เส้เจ้าก็เขาสนุกสารกว่าเรานะปลาในน้ำาะเลสาโบโฉบอไปกินแล้วคนนอนโอ้ยนับจ้างหาอยู่หาจินแล้วเจออยู่แต่กินก็ลำบากแล้วยังไประวังโทษภัยอะไรต่างๆเขีนข่ากันนั้นคนภาคใต้เราก็เห็นใครจากไหนขี่รถจากหน้าจางหลังก็ระวังเรา ไม่ควรเป็นอย่างนั้นมาสงสารกันนะเอาเมตตาสงสารกันมันก็มายากหนุ่มเปลี่ยนวโกนธรรมเมตตาต่อกันมามีสติเห็น อ, อกเขา อ, อกหลนกันน่าสงสารจริงคนเรานะขอให้ที่นี้เป็นที่ปลดป่วยเรื่องนี้ให้มากที่สุดละเรามาที่นี้ให้เรามาปลดป่อยเหมือนกับอิสิปัตนะบบลกคาถายวันประเทศินเดียเป็นที่ปลดปล่อยสัตว์ทั้งหลาย คนก็ไปอยู่ที่นั่นอย่าเบียดเบียนกันถ้าไปอยู่ที่นั่นแล้วสัตว์ก็จะเบียดเบียนเขามีเก้งมีควงมีนกมีสัตว์ต่างๆอยู่ในอิสิปัตนะบลึกขัตยวันให้ขอให้ที่นี่เหมือนที่นั่นด้วยอย่าเบียดเบียนกันอย่าเบียดเบียนตัวเราด้วยอย่าทำให้เราเป็นทุกข์ให้มีชีวิตที่บริสุทธิ์งัดตัวเองนะมาย่อมโมกลุมบริสุทธิ์ใจ เป็นหน้ากันก็สงสารเป็นมิตรกันทั้งหมดเป็นญาติกันทั้งหมดเลยเขาบอกใครต่อใครว่าทีนี้คือบ้านของเราไม่มีใครแปลกหน้ามิตรญาติแต่เพิ่งเห็นกันเป็นญาติกัมาก่อนแล้วมันจะเป็นไปได้ไหนไหมเหมืองไทยเราเนี่ยถ้ามาทําอย่างนี้นะตรงพราะควาเป็นไปได้ไม่ยากไม่เหลือวุสัยไม่ต้องไปสร้างอะไรสร้างตัวเราเนี่ยสร้างความเห็น เราเห็นของเราเนี่ยก็บอกกันด้วยแล้วเราไม่เบียดเบียนเราเราก็ไปสอนเขาบอกเข า, าใหญ่เขาเบียดเบียนเขาเราไม่เบียดเบียนคนอื่นเขาไปบอกเขายาให้เขาเบียดเบียนคนอื่นต่อๆกันไปไม่มากคนไทยหกสิบกว่าล้านคนคนเนเดียเลยพันกว่าล้านคนแล้วมันก็ไม่ถึงปัณนนัเอาถ้ามีสติปั๊บเดียวเลยคนในโลกเนี่ถ้ารู้สึกตัวถ้าเปลี่ยนความโกรธ เป็นความเมตตากรุณาก็เปลี่ยนได้ทันทีเดี๋ยวนี้วินาทีนี้ทันทีใครที่เป็นผู้ที่บอกกันจยางนี้มีไหมในโลกนี่แม่ไปอยู่ในหมู่ลูกพ่อนี่เป็นนักบวกไปอยู่ในกลุ่มพระเขอ้างกันพระครูชั้นตีพระครูชั้นโทพระครูชั้นเด็กเจ้าคนชั้นสามันเจ้าคนชั้นวิสามัญชั้นลาดเพราะอะไรเพราะต้องความดีอย่างนั้นอย่างนีความดีที่ไหน สร้างว่ดจ้าหมดกันประมาณมัดละหนึ่งก็ได้แล้วตำแหน่งสองปีสาปีหมดเกันอี็กละหนึ่งได้ตำแหน่งแล้วเอาหนั่นหรือมาเป็นคุณภาพเร า, เราไม่เป็นพระภูชรูปอยู่เนี่ยแต่หลวงพ่เอเป็นพระภูบางทีเขามาบอกหลวงพ่อไม่เห็นวัดที่เราอยู่แล้วเอาพระภูเช่นพี่เจ็ดจ้ะโอ้ยผมอดอ๋ผมเก่ผมเถอะแล้วเบ้อว่า ไ, ได้ พระรุ่นนองเขาไปบ่ได้หลวง พ, อพ่อโบเกิดไปทั้งหนามันไปบ่ได้ยักขวงกันเขาโมโหขวงกันใครนะเด้อผมเล่าไ็ไม่ขวางกันอย่าเอาอันนั้นจีเอาเนี่เอาขนธรรมเนียได้ไหมพวกเราัญาติทั้งโยมอุบาจุปาสิกาช่วยกันอะไนี่มาวันใดขึ้นมาให้มันเกิดขึ้นหนยใบีสักหน่อยอย่ามันชาเกินไปจนถึงก็จะตายจะค่อยมาให้คนหมอประจานมาทุกคนหลวงพ่อไปพูดที่หลวงพ่อหาน ไปช่วยคนใกล้ญาติวินาทีทองท่อนใ จ, จะขาดก็ดีนะดีกว่ามณฑีป่าวเติตต้งนะถ้าไปคงกันนขึ้นมามณฑีป่าวเตึต้งไปเจ็บศพกันตั้งมณฑีขึ้นมาเราไม่ต้องไปทําให้ไม่ช่วยกันนเะนะลยญาติเราพ่อบอกคุณหมอเลยถ้าใครเจ็บปว่วยมากบอกหลวงพ่อด้วยกินดีมากๆอ่นะไปช่วยกันเอา้าตอนนั้นก็ยังยังชาเกันไปเอาเดี๋ยวนี้ดีไหมเอา ต, าอตา่อคนต่อเอาดีดีมันดีกว่าเนาะ อ้อชีน้อยก็ยังหนุ่มยังสาวอยู่อ้วนก็ยังหนุ่มยังสาวอยู่รอให้เท่าวเยเกลือพายเถศพอ่อจะล่างรอพายตะวันจะสายตลาดจะวายสายบัวจะเน่าชช่ไหมล่ะเดี๋ยวนี้อ่ะเยอะมันเยอเนี่ยในน้อยยังเสี่ยดีมากนะอยู่ที่ใครมาวัดใครมาที่หลวงพ่อนโอ้ยดีใจมากถ้าไม่มีใครมาก็เศร้าๆใจจักหน่อยโอ้ยเราไม่มีประโยชน์เลยหนอเกิดมานี่ยเป็นหนี้เป็นสินประเทศชาติมากมายถ้าไม่ได้บอกได้สอน ให้คนเป็นคนดีไม่ใช่ใช้หนี้ได้ยังไงเราเป็นที่ประเทศชาติมากมายเก็บได้ปร่ผูเยื่นเชือดทองเอาเงินภาษีอกรของคนในประเทศไปซื้ อ, อยาราคาแพงๆขอใช้หนี้ด้วยศอนธรรมะอันนี้ก็มีพโทรมาว่าพระตายแล้วพ่อเป็นคณะผู้ปกครองเขาก็ให้ไปดูหลวงพ่อไปไม่ได้ดอกวันเนี่ยอยู่วั น, นวะะเนี่ยก่อนหลวงพ่อจะบอกไงก็ตรวจสอบซะเอา เจ้าวาดที่อยู่ตรงนั้นแล้ให้แลขาองเงนินเจ้าวาดตรงหนึ่งเอาบาศกบรรยากาญาติโยมสี่ห้าคนแล้วตรวจทรัพย์สินหนังสือสุธิสังกัดที่ ไ, วไดวัดใดบวชเมื่อไหร่มีเงินมีทองเท่าไหร่มีจริงของเท่าไหร่บันทึกไว้ลงลายมือรายเส้นไว้แล้วก็ให้เก็บศพไว้เผาปีหน้าเอ๋อพ่อเลยบอกว่าเพราะว่านํามะเขือเนี่ยเป็นปฏิปติธรรมกันทุกปี เอาเผาได้วันปฏิบัติธรรมวันสุดท้ายเอาเข้าเบ้ า, บาไว้วิธีทําเบ้าก็อย่าไปใส่หีบที่ดีๆนะถ้ามันย่อยรองดินได้มันจึงจะแห้งดีถ้าไปเห็บห่อไว้มันไม่ย่อยเราเพืไม่มีโอกาสไปไม่ ไ, ไปเรากะสั่งบปก็อยากไปช่วยพระตายน่าสงสารน่าสงสารไม่มีลูกไม่หลานขอให้พระเป็นทุละนะโยมไม่ต้องเกี่ยว หลวงพ่อทีนี่ยเราจะดูแลจะเป็นผู้ไปรับผิดชอบหรือว่าขอให้เจ็บศพไปไม่ต้องทําให้เศร้าหมองคนไปเห็นแเราโอ้ยน้าสงสารนาะพระนะใครเขาก็ไม่อยากบทเป็นพระเหมือนไม่เหมือนญานะติโยมเนาะญาติโยม น, นี่โอ้ยสมบุญณ์สมทนกันตีมีรถแข่กันไยแล้วพระนี่ก็โอ้ยน่าสงสารเราก็ยังอยากจะ ศพนี่ว่าจะไปทำลองดูจะบอกวิธีทำศพเก็บศพให้มันแห้งมียาฉูนมีใบมะเขีอเ บ, บางทีเ็อยากช่วยคนตายคนเจ็บคนยังไม่เจ็บก็ยบอยากช่วยเพราะมันเป็นเรื่องน่าช่วยกันธรรมานะต้องเสียเงินเสียทองอะไรการช่วยกันเรื่องนี้แต่เย็นไหมทำได้ไหมบอกอยู่ยนี่รู้สึกตัวซะ มันหลงมีไหมมีเอามันหลงก็รู้สึกตัวมันทุกข์มีไหมมีแอาวันทุกข์ก็รู้สึกตัวมันยากไหมต้องไปขอหาจากใครมาช่วยไหมไม่ต้องขอเอาอยู่กับเราแั้และทำได้ไหมเนี่ยมันไม่ยากปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการผู้ปฏิบัติย่อมรู้ยิ่งเห็นจริงสมควรกับผู้กระทาอย่าไปอ้อนวอนขอร้องไปเกณฑ์ไปประเมิน รวรู้สืบตัวไมนต้องประเมินไม่ต้องรอรูปขึ้นมาทันทีถ้าเมก อ, อะไรก็บอกพวกเราอยู่ที่นี่มีพระหลายรูปเราก็อยู่เสมอเกินเป็นสามั ญ, ญลักษณะเท่าเท่ากันไม่ใช่เรามีฐานะต่างกันหายใจเข้าหายใจออกเท่าเท่ากันต้องกินต้องนอนต้องขับต้องถ่ายเท่าเท่ากัน ล้อนหนาวเท่าเท่ากันย่าเบียดเปลียนกันอย่าเบียดเบียนตัวเองให้สงสารตัวเองไว้ให้มากมากคนเราถ้าสงสารตัวเองไม่เป็นก็สงสารคนอื่นได้ยากสงสารตัวเราอย่างไรสงสารรูปไปปฏิบัติธรรม嘛สงสารรูปพอเห็นรูปเห็นนามเราโอ้ยสงสารลูปไม่มีใครช่วยรูปสักทีเลยสามสิบปีน้าตาล่วงเลย พอมาลูล้เลยโอ้ยไม่มีใครช่วยเจ้าเอาลูกเอ้ยใจก็ไม่มีใครช่วยเจ้าเนาะพ่อเฮอันเหรอนจอนจัดกลางคืนว่าฝันกลางวันว่าคิดอะไรก็มาเป็นสุขอะไรมาเป็นทุกข์ไม่ได้อะไรสักอย่างเลยตั้งแต่นี้เราไปอันลูกก็ดีใจก็ดีจะไม่เอาไปทําชั่วไม่เป็นทุกข์แล้ว สงสารตัวเราเมื่อสองสารตัวเราก็สงสารคนอื่นแล้วบัดนะสงสารคนอื่นมากที่สุดเลยอยากบอกอยากสอนอดไม่ได้ไปละเจริญเถพิกาเวจาริกังพหุชนะหิตายะพะชนะสุขายะโลกาณุกรรมปายะไปไปพระพุทธเจ้าบอกพระสาวกสี่ห้ารูปเท่านั้นเองไปเถอะไปเถอะไปผู้ประโยชน์ผู้ความสุขแก่มหาชนแก่คนหมู่มาก เพื่อลกพวกเราเป็นพุทแล้วจะบ่วงหามาจงไปบอกไปสอนเขาให้รีบจังหน่อยก็จึงธรรมพุทธลูปบางเลยดาเดินยนตีวอปิวเห็นไหมไม่ใช่มาสอนนั่ง่ะต้องไปนะอนํานั่งก็นั่งไม่ใช่ขี้เกียจสิขั้นนะนั่งมีความเอเบอียงใจรู้จักตัวนะไม่ใช่นั่งขี้เกียจนอนขี้เกียจนะตายก็ตายหัดตายบ้างนี่เอาทุกข์รีบหมดเลยเราเนี่ย ทุกกระีบดเป็นปัญญาทั้งนั้นเห